เอาน่ายอย่า<ก>ซีเรียกเรื่องรักใครมากกว่ากันในการละครั้งหนึ่งไม่นานมานี้นายมั่น ได้มีโอกาสกลับบ้านต่างจังหวัดนึกได้ว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งจึงได้แวะไปเยี่ยมเยียนได้พบเขากำลังเลี้ยงวัวชนตัวเก่งของเจ้านายของตนเองอยู่พอดีก็หยุดคุยกันเฮ <Hey, S 1> ดูนายเนี่ยรักวัวตัวนี้มากจริงๆริงนันรักมันมากรักยิ่งกว่าชีวิตมันชนเก่งจริงๆชนทีไร ชนะทุกทีพูดด้วยความภาคภูมิใจแหมเห็นนายเลี้ยงมันอย่างดีเลยนะมันเป็นวัวของนายหรือเปล่าเป็นวัวของเจ้านายซื้อมาหลายแสนบาทเลยเชียวแต่คุ้มวะ่ะแกเลี้ยงวัวตัวนี้ยังไงถึงได้ชนเกงอย่างนี้ล่ะกันต้องบัญจงตัดหญ้าอ่อนๆมาให้กินมีนมคอยป้อนทุกวัน แล้วต้อกินไข่ไก่ทุกวันด้วยอืมน่าสนใจจริงๆนายเลี้ยงมันดีมากต้องอาบน้ำเช้าเย็นฟอกโดยแชมพูสระผมอย่างดีผิวมันจึงสวยงามแต่กลางคืนต้องกางม้งให้มันนอนไม่ให้ยุงไม่ให้หมดกัดได้เลยทีเดียวนะเอเพื่อนรักนายเคยเลี้ยงพ่อของนายเหมือนกับวัวนี้บ้างไหม ไม่เคยเลยไม่เคยธนุถนอมเลี้ยงพ่อเหมือนวัว น, นี่เลยอย่างนั้นนายก็รักวัวมากกว่าพ่อของนายน่ะสิเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีคนเรามักจะมองข้ามไปเอาใจใส่เรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตนเอง